วันนี้เป็นวันเสาร์ที่14ตุลาคมพุทธศักราช2566เป็นวันพระวันธรรมศรนะีวันฟังธรรมวันปฏิบัติธรรมวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกำหนดให้สาธุชนพุทธบริษัตวได้หยุดภารกิจการงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำามากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพื่อที่จะได้มีเวลามาทำหน้าที่หรือมาทำธุระที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบให้แก่พุทธบริษสัทไว้ทำกันเพื่อเป็นประโยชน์ ให้แก่จิตใจที่มีความสำคัญมากยิ่งกว่าร่างกายร่างกายเป็นของชั่วคราวต่อให้เราทำอะไรให้มันดีขนาดไหนก็ตามวันหนึ่งมันก็ต้องถึงเวลาสิ้นสุดของมันร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายไป ไม่ว่าเราจะดูแลเลี้ยงดูร่างกายให้ดีมากน้อยเพียงไรก็ตามเราก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายไปได้ร่างกายจึงไม่มีความสำคัญเมื่อเปรียบเทียบ ก, กับใจเพราะใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีวันตาย น่าใจนี้จะเป็นผู้ที่จะพาเราไปที่ต่างๆหลังจากที่ร่างกายของเราตายไปแล้วใจของเรานี้จะไปสูงไปต่ำไปดีไปไม่ดีไปสุขหรือไปทุกข์ขึ้นอยู่กับการกระทำของเรา ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ว่าเราได้ทาอะไรให้แก่จิตใจไปในทางไหนบ้างไปในทางที่ดีหรือไปในทางที่ไม่ดีไปในทางของความสุขหรือไปในทางของความทุกข์พระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้ชาวพุทธเหล่านี้มาทำธุระ ทำหน้าที่ดูแลจิตใจบ้างอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ควรจะมีสักวันหนึ่งที่พวกเราควรจะเอาเวลามาให้กับการดูแลจิตใจนำพาจิตใจให้ไปในทิศทางที่ดีในทางของความสุขในทางของความเจริญของจิตใจ ถ้าเราไม่มีการกระทาจิตใจของเราก็จะไม่สามารถไปในทิศทางที่ดีได้ถ้าเราบัวแตกวุ่นวายไปกับการหาเงินหาทองหาทรัพย์สมบัติหาอะไรต่างๆเพื่อมาเลี้ยงดูร่างกายเพื่อให้ความสุขทางร่างกายกับเรา ซึ่งบางครั้งอาจจะทำให้เราทาเลยขอบเขตคืออาจจะต้องไปพลาดพรั้งไปทำบาปทําอะไรที่ไม่ดีได้แล้วมันก็จะเป็นเหตุที่จะพาให้จิตใจของเรานั้นต้องไปกับไปในทิศทางที่ไม่ดีต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว เราจึงควรที่จะมาทำทุละที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบหมายให้กับชาวพุทธได้ทำกันเพราะทุลที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบให้พุทธบริษัททำกันนี้จะพาให้จิตใจของพวกเรานี่ไปสู่ที่ดีที่ชอบ ไปสู่ที่สุขที่เจริญไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆตามลำดับต่อไปถ้าเราไม่ทำทุระที่พระุทธเจ้าได้ทรงมอบให้กับพวกเราทำกันพวกเราก็จะไม่มีวันที่จะไปในทิศทางที่ดีได้ไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้ นี่คือความสำคัญของใจใจนี้เป็นของที่ไม่ตายเป็นของที่จะอยู่ต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดร่างกายเป็นของชั่วคราวทำให้มันดีมากน้อยเพียงไรก็ตามทรัพย์สมบัติขาวของเงินทองที่หามาเพื่อเลี้ยงดูร่างกายเพื่อหาความสุขผ่านทางร่างกายมีมากน้อยเพียงไร เวลาร่างกายตายไปทรัพสมบัติเหล่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ทำประโยชน์อะไรให้แก่จิตใจไม่ได้เลยจิตใจนี้ไม่ได้ต้องการเงินทองข้าวของทรัพสมบัติต่างๆไม่ต้องการราบยศสรรเสริญไม่ต้องการความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพัฒน์ชนิดต่างๆสิ่งเหล่านี้มันเป็นความต้องการ ของกิเลสตัณหาของโมหะอวิชชาที่เป็นตัวที่จะมาคอยสร้างความทุกข์ให้แก่ใจที่เป็นตัวที่จะคอยฉุดลากจิตใจให้ไปเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดการทำภารกิจเพื่อร่างกาย ยิงควรมีขอบมีเขตมีประมาณคือเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่ได้ก็พอแล้วไม่จาเป็นที่จะต้องอยู่แบบร่ารวยอยู่แบบรูหราอยู่แบบฟุ่มเฟือยอยู่แบบมากน้อยสันโดษคือหลักการของพระพุทธเจ้าต่อการเลี้ยงดูร่างกายร่างกายเราก็ ควรจะให้สิ่งที่ร่างกายต้องการสิ่งที่ร่างกายจำเป็นต้องมีสิ่งนั้นก็คือปัจจัยสี่ได้แก่อาหาร<ม>เครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคภัยเวลาเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาปัจจัยสี่นี้ก็มีหลายหลายรูปแบบหลายราคาด้วยกัน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นรูปแบบที่แพงขนาดไหนหรือถูกขนาดไหนถ้ามันทำหน้าที่ได้ก็ไม่มีความแตกต่างกันถ้าอาหารทำหน้าที่ดับความหิวของร่างกายได้อาหารจะมีราคาแพงหรือถูกเหมือนก็ทำหน้าที่ได้เท่ากัน เสื้อผ้าอภรรที่สวมใส่มันจะมีราคาแพงหรือถูกถ้ามันทำหน้าที่คือปกปิดร่างกายปกป้องร่างกายไม่ให้ถูกมาแสัตาดกัดต่อยมากัดและป้องกันภัยจากอากาศที่หนาวเย็นได้เสื้อผ้าก็เรื่องนุ่มห่มก็ถือว่าทำหน้าที่ของมันจะถูกจะแพงไม่สำคัญ จะหรูหราหรือไม่หรูหลาไม่สาคัญจะสวยงามหรือไม่สวยงามไม่สาคัญมันก็ทำหน้าที่ได้เช่นเดียวกันแต่ที่สาคัญก็คือถ้าเราไปใช้ของแพงใช้ของหรูหราใช้ของฟุ่มเฟือยเราก็จะต้องใช้เวลามากกับการที่จะไปหาเข้าหาเงินทองมาซื้อข้าของต่างๆเหล่านี้ ก็อาจจะต้องไปทำอะไรที่ไม่ถูกกฎหมายบ้างไม่ถูกศีลธรรมบ้างก็ได้ถ้าเราไปหลงกับการกับของฟุ่มเฟือยต่างๆกับของหรูหรากับของที่มีราคาแพงต่างๆมันทำให้เราเสียเวลา เ, าเปล่าๆไปและทให้เราต้องไปทำ สิ่งที่เป็นพิษเป็นภยัยเป็นโทษต่อจิตใจถ้าเราไปทำผิดศีลธรรมการทำผิดศีลธรรมนี้เป็นการสร้างความทุกข์สร้างโทษให้แก่จิตใจจิตใจจะต้องรับโทษรับความทุกข์จากการที่ทำสิ่งที่ผิดศีลธรรมดังนั้นถ้าเราใช้ หลักการของความมักน้อยสันโดษเป็นหลักการในการเลี้ยงดูร่างกายของเราโอกาสที่เราจะต้องไปทำผิดศีลธรรมนี้มันจะมีน้อยมากหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้แต่ถ้าเราใช้หลักของความฟุ่มเฟือยหลักของความรู้หราของความมีราคาแพงๆมาใช้ในเป็นในการเลี้ยงดูร่างกายของเรา เราจะมีโอกาสที่จะต้องไปทำผิดศีลผิดธรรมได้มากแ้ะผู้ที่รับโทษไม่ใช่ร่างกายผู้ที่รับโทษก็คือใจดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะให้ใจของเราต้องไปติดคุกติดตารางก็คือไปเกิดในบายเราก็ต้องไม่ทำบาป ในการที่เราจะไปทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องด้วยการใช้หลักของความนักน้อยสันโดษนักน้อยก็คือเอาเท่าที่เอาเท่าที่จําเป็นเอาเท่าที่ร่างกายต้องการแล้วก็เอาที่มันมีราคาที่ถูกที่สุดแต่ทําหน้าที่ได้เหมือนกับของที่มีราคาแพงแ เช่นอาหารมือละร้อยกับอาหารมื้อละพันี้อาหารมื้อละร้อยก็ทำหน้าที่ได้เหมือนกับอาหารมื้ลพันเราก็ไม่ควรที่จะต้องไปเสียเงินเสียทางถึงพันบาทเพื่อที่จะมาเลี้ยงดูร่างกายดับความหิวของร่างกายในเมื่ออาหารราคาร้อยบาทก็สามารถที่จะทำหน้าที่ได้ น, นี่คือ ความมากน้อยให้ใช้ให้น้อยที่สุดแต่ก็ไม่ให้น้อยแบบที่ทำให้เกิดภัยต่อร่างกาย<ม>น้อยแต่เกิดคุณเกิดประโยชน์กับร่างกายเหมือนกับการที่เราใช้มาก ม, มากน้อยนี้อยู่ไม่ใช่เป็นประเด็นสาคัญประเด็นสาคัญก็คือร่างกายได้รับการดูแลพอเพียง เพื่อให้ร่างกายอยู่เป็นปกติสุขได้หรือไม่ mm hmm. ถ้าใช้ของถูกแล้วดูแลร่างกายให้อยู่ได้เป็นปกติสุข mm hmm. ก็ควรจะใช้ของที่ถูก mm hmm. ดีกว่าไปใช้ของที่แพง mm hmm. เพราะของที่แพงนี้มันจะทำให้เราต้องดิดน้นรนหาเงินหาทองมา mm hmm. มาใช้กันแล้วก็อาจจะทาให้เรา ต้องไปทำบาปต่อไปได้นั่นเองนี่คือความหลักของความมาักน้อยใช้เท่าที่ร่างกายต้องการพอเพียงต่อความต้องการของร่างกายไม่ต้องให้หรูหราไม่ต้องฟุ่มเฟือยไม่ต้องเป็นของราคาแพงๆขอให้เป็นของที่ใช้ประโยชน์ให้กับร่างกายได้อาหารก็ดีเครื่องนุ่งห่มก็ดีที่อยู่อาศัยก็ดี ยารักษาโรคต่างๆก็ดีของเหล่านี้ของมีหลายราคาด้วยกันแต่เขาก็ทำหน้าที่อันเดียวกัน mm. เหมือนกัน mm. ก็คือดูแลร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขได้ yeah. Yeah. ทางศาสนา mm. ทางที่พู้เจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเรากระทำกันก็คือ mm. ให้เราเลือกเอาความมาักน้อย mm. ดีกว่าความมากมาก mm. Mm. ให้เราใช้แบบพอเพียงต่อความต้องการของร่างกายก็พอเพื่อเราจะได้ไม่มีไม่มีความกดดันที่จะมาคอยกดดันให้เราต้องไปหาเงินทองมามากๆเพราะการหาเงินทองมามากๆนี้ถ้าไม่ถ้าไม่สามารถหาได้โดยวิธีสุจริตก็อาจจะต้องไปหาโดยวิธีทุจริต ดูไปการกระทำบาปต่างๆแล้วมันก็จะทำมามันก็จะมาเป็นพิษเป็นภัยเป็นโทษต่อจิตใจนี่คือเรื่องของการดูแลเลี้ยงดูร่างกายด้วยปัจจัยสี่ขอให้เราใช้ของในหลักของความมากน้อยหรือสันโดษสันโดษก็คือตามมีตามเกิดได้มากได้น้อย ก็ยินดีไปตามมีตามเกิดขอให้เราได้มาด้วยวิธีสุดจริญก็แล้วกันอย่าไปทำมาหากินด้วยวิธีทุจริต<ม>ได้มากได้น้อยก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็จะไม่ขาดทุนถ้าเราไม่ทำการทำมาหากินด้วยวิธีทุจริตถ้าเราทำทุจริตนี้ทาบาปเช่นไปเกาะลักทรัพย์ไปช่อโกง ไปโกหกหลอกลวง mm hmm. หรือไปค่าสัตว์ตัดชีวิต mm hmm. เพื่อมาเลี้ยงดูร่างกายของเรา mm hmm. การได้มานี้มันไม่คุ้มกับการที่เราจะต้องเสียสิ่งที่เราเสียก็คือเสียทางด้านจิตใจ mm hmm. จิตใจของเราจะต่ำลง mm hmm. จิตใจของเราจะต้องไปรับโทษ mm hmm. จิตใจของเราต้องเจอกับความทุกข์เพิ่มมากขึ้น mm hmm. mm hmm. ซึ่งเป็นสิ่งที่เราสามารถหลีกเลี่ยงได้ถ้าเราใช้หลักความมักน้อยสันโดษถ้าเราใช้หลักมักน้อยสันโดษนี่เราจะมีเวลาที่เราจะได้มาทำธุระที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบหมายให้กับพวกเราได้ทำกันเพื่อที่เราจะได้ทำคุณทำประโยชน์ให้กับจิตใจของเรา ให้จิตใจของเราเป็นจิตใจที่มีคุณค่ามากขึ้นให้เรามีความสุขมากขึ้นให้จิตใจมีความทุกข์น้อยลงไปจนกระทั่งไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจเลยอันนี้เป็นผลที่เราจะได้รับจากการทำทุระที่พระพุทธเจ้าทรงมอบมหมายให้พวกเรามาทำกันถ้าเราไม่ทาทุระมัวแต่ไปทาทุระให้กับร่างกาย ไปทำธุระให้กับกิเลสตัณหาโมหะหรืออวิชชาเราก็จะไม่สามารถที่จะพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความทุกข์น้อยลงได้เลยจะทำให้จิตใจของเรานี้จะต้องเจอกับความทุกข์ถ้าไม่น้อยลงถ้าไม่มากขึ้นก็จะไม่น้อยลง เพราะกิจทางร่างกายนี้มันไม่ได้ทำให้จิตใจของเราสูงขึ้นหรือดีขึ้นแต่อย่างใดดังนั้นอย่าไปหลงกับการเลี้ยงดูร่างกายมากจนเกินไปนนเราต้องมาเลี้ยงดูจิตใจของเราถ้าเราอยากให้จิตใจของเราสูงขึ้นดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงไปจนกระทั่งไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจของเราเลย เราต้องมาทําธุระที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายให้พวกเรามาทํากันธุระที่พุทธเจ้าทรงมอบหมายให้กับชาวพุทธมาทํากันอย่างน้อยอาทิตย์อาทิตย์ตละหนึ่งครั้งคือทํากันในวันพระนะก็คือคันธะธุระกับวิปัสสนาธุระนะนี่คือธุระที่พุทธเจ้าทรงมอบหมายให้ทํากัน ธุระก็แปลว่างานนี่งานที่เราควรจะมาทํากันในวันพระอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งเราควรที่จะมีวันพระสักหนึ่งวันเพื่อที่เราจะได้มาทําธุระทางด้านจิตใจมาชําระซักพ่กจิตใจเหมือนกับเราซักพ่กเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เสื้อผ้าที่เราสวมใส่กันเมื่อเราใส่ไปแล้วมันก็ต้องเกิดความสโปรกขึ้นมา เราก็ต้องมีการซักเสื้อผ้าหรือแม้แต่ร่างกายของเราก็ต้องมีการชําระความสะอาดอยู่เรื่อยๆต้องคอยทำตามสะอาดของร่างกายอย่างน้อยวันหนึ่งก็ต้องอาบน้ำวันละหนึ่งครั้งหรือมากกว่านั้นเพื่อร่างกายจะได้สะอาดเพราะความสะอาดนี้นําความสุขมาให้ไม่ว่าจะเป็นความสะอาด ทางร่างกายก็ดีหรือความสะอาดทางจิตใจก็ดีจิตใจของเราก็ต้องการความสะอาดต้องการได้รับการชำระสิ่งที่เป็นปฏิกูลสิ่งที่เป็นสิ่งที่โสโปรกสิ่งที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองก็คือกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาที่เราอาจจะใช้หรือสะสมขึ้นมาโดยไม่รู้จัก ว่ามันเป็นโทษต่อจิตใจถ้าเราได้มาทําธุระที่พรดเจ้าได้ทรงสอนให้เรามาทํากันแล้วเราก็จะได้ชำระจิตใจของเราให้สะอาด ใ, ให้ความสกรปรกความเศร้าหมองของจิตใจนี้ลดน้อยลงไปบ้างถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทําให้มันสะอาดแบบร้อยเปอร์เซ็นต อย่างนั้นก็คอยป้องกันไม่ให้มันสะสมความสโปรกให้มันมากขึ้นไปเรลยๆต้องพยายามลดการสะสมของความสโปรกด้วยการซักพอกจิตใจอย่างสม่ำเสมออย่างที่ทรงสอนให้เรามาทํากันอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็น <c oughs> การกระทําที่น้อยที่สุด เป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราควรจะมาทักพอกจิตใจกันเป้าหมายที่แท้จริงแล้วต้องการที่จะให้พวกเราทักพอกจิตใจของพวกเราตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยเพราะว่ากิเลสตัณหาตัวที่มาสร้างความเศร้าหมองให้แก่จิตใจนี้มันทำงานตลอดเวลา ทำงานตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาจนถึงที่เวลาที่เราหลับไป mm hmm. ถ้าเราต้องการที่จะซักฟอกจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องตลอดเวลาร้อยเปอร์เซ็นเราก็จําเป็นที่จะต้องทําการซักฟอกกิเลส ต, ตัณหานี้ตลอดเวลาทุกวันทุกเวลา mm hmm. ตั้งแต่ตื่นจนถึงเวลาหลับไป mm hmm. แต่สําหรับ ผู้ที่ยังไม่ได้มีความเข้าใจหรือไม่มีความเห็นโทษของการปล่อยให้จิตใจนี้สะสมหมกมุ่นด้วยความเศร้าหมองของกิเลสตัณหาก็อาจจะมาเริ่มต้นในวันพระกันก่อนเรามาซักพอกันซักอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก่อนดูซิว่าเวลาได้ซักพอกจิตใจขึ้นมาแล้วจะมีความรู้สึกอย่างไร ใจิตใจจะมีความรู้สึกสดชื่นเบิกบานขึ้นหรือไม่สิตใจจะมีความสุขเพิ่มขึ้นมากหรือไม่ความทุกข์ในจิตใจที่เคยมีอยู่ลดลดน้อยถอยลงไปหรือไม่ความเศร้าหมองต่างๆที่ปกคลุมจิตใจจางหายไปมากน้อยหรือไม่ถ้าเราได้มีเวลามาทดลองซักพอกจิตใจกันดูอาทิตย์ละหนึ่งวันนี้ เราก็จะเริ่มเห็นผลเห็นความแตกต่างของจิตใจที่ได้รับการซักพอกักบการกับจิตใจที่ไม่ได้รับการซักพอกว่าต่างกันอย่างไรเมื่อเราเห็นผลเห็นความแตกต่างแล้วมันก็จะทำให้เราเกิดศรัทธาเกิดฉันทะเกิดความยินดีเกิดวิริยะเกิดความหูสาหะความขยันที่อยากจะซักพอกจิตใจให้มากขึ้นไป เพราะความสอายของจิตใจยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งนำความสุขมาให้แก่จิตใจมากขึ้นไปเท่านั้นแต่ในเบื้องต้นขอให้เรามีจุดเริ่มต้นควเราเราก็ควรมาเริ่มต้นกันในวันพระนี้ถ้าเราไม่เคยทาหน้าที่ที่พรเจ้าสงมอบหมายให้ทำกันเป็นแบบกิจลักษณะเลยลองมาทำกันให้เป็นแบบกิจลักษณะทาเป็นแบบ แบบเอาจริงเอาจังอย่าไปทำศักดิแต่ว่าทำไปทำแบบเชื่อมั่นในความในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรากระทำกันนี้มีคุณมีประโยชน์แก่จิตใจอย่างยิ่งยิ่งกว่าสิ่งงินใบต่างๆในโลกนี้ สิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่มีคนประโยชน์อะไรให้กับจิตใจเลยมีแต่คนประโยชน์ให้กับกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาที่จะมาคอยสร้างความทุกข์สร้างความเศร้าหมองให้แก่จิตใจของเราให้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆอย่าไปให้ความสาคัญกับสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองหรือแม้แต่ร่างกายของพวกเรามันเป็นของชั่วคราว มันเป็นของของใช้ของกิเลสตัณหาโมหะาอาวิชชามันมีไว้เพื่อมารับใช้กิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาเพื่อที่จะมาให้กิเลสโมหะอาวิชชานี้มาสร้างความทุกข์สร้างความเศร้าหมองให้แก่จิตใจของเราเท่านั้นนนี่คือหน้าที่ของสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้มีแต่ธรรมของพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีคุณประโยชน์แก่จิตใจ <ý. S 1> พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบให้ฟังว่าให้เราสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเพื่อรัรกษาอวย <ức> ัยวะให้เราสละอ ว, วัยวะเพื่อรักษาชีวิตและให้เราสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมรักษาธรรมคือคำสั่งคำสอน ที่พระเจ้าส่งสอนให้เรากระทํากันปฏิบัติกันรักษาสิ่งที่เราที่พระเจ้าส่งสอนให้เราปฏิบัติให้เราปฏิบัติรมยิ่งกว่ายิ่งกว่าการหาเงินหาทองหรือดูแลรักษาชีวิตร่างกายของพวกเราถ้าเราต้องเลือกต้องเล็ต้องเลือกพระเจ้าบอกว่าให้เลือกธรรมะธรรมะนี้เป็นของที่มีคุณค่าที่สูงสุดสําหรับจิตใจใ ส่วนทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองร่างกายอวัยวะของร่างกายนี้มันไม่ค่อยมันไม่มีคุณค่ากิดต่อจิตใจเลยมันมีคุณค่าต่อกิเลสตัณหาเพียงอย่างเดียวดังนั้นเราควรที่จะเข้ามาทำธุระทางธรรมกันบ้างอย่ามัวแต่ทําธุระทางทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองทำธุระทางร่างกายเพียงอย่างเดียว จนเราลืมมาทำธุระให้กับทางจิตใจด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเราจะได้สร้างประโยชน์สุขให้แก่จิตใจที่จะสามารถที่จะอยู่ต่อไปเรื่อยๆอย่างมีความสุขได้ธุระของพระเจ้าก็คือให้เรามา สร้างธรรมะกันนั่นเองมีสองธุระธุระที่หนึ่งเรียกว่าคันถะธุระแปลว่าการศึกษาทำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองสอนพระเจ้าสั่งสอนให้ทำอะไรบ้างถ้าเราอยากจะสร้างความสุขสร้างความเจริญสร้างความความหลุดพ้นจากความทุกข์ให้ก่จิตใจของพวกเรา เราต้องปฏิบัติทานเราต้องปฏิบัติศีลเราต้องปฏิบัติภาวนานี่คือการสิ่งที่เราจะต้องศึกษาศึกษาทานศีลภาวนาเรียกว่าคันทะทุระเมื่อศึกษาแล้วเราก็ต้องนำเอาไปทาให้ปรากฏขึ้นมาในใจของเราเรียกว่าวิปัสสนาทุระทำให้แจ้ง ท ำ, ทำให้คำสั่งคำสอนที่พระเจ้าทรงสอนนี้ปรากฏขึ้นมาในใจของเราปรากฏว่าในใจของเรามีทานในใจของเรามีศีลในใจของเรามีภาวนามีความสงบมีความฉลาดมีปัญญาอันนี้ต้องเกิดจากการปฏิบัติแต่ก่อนที่เราจะปฏิบัติเราก็ต้องเรียนรู้ก่อนว่าเราต้องปฏิบัติอะไรบ้าง และวิธีที่จะทาให้สิ่งเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาในใจของเหล่านี้เราต้องทำกันอย่างไรขันน้นแรกก็เราก็ต้องทำคันธุระก่อนคันธุระก็คือศึกษาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือคําสั่งคําสอนของพระ อ, อริยสงสาวุกของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีไม่ว่าจะเป็นพระพ อ, อะริย อริยสงสารวกของพระพุทธเจ้าก็ดีคำสอนนั้นเหมือนกันสอนไปในทิศทางเดียวกันสอนให้ทำบุญทำทานสอนให้รักษาศีลสอนให้บำเพ็ญจิตตะภาวนาสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาไปเหมือนกันนะแต่รายละเอียดนะอาจจะแตกต่างกันไปตามความฉลาดความรู้ความฉลาดในการ นำเอาเรื่องราวต่างๆมาสั่งมาสอนการได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้านี้จะได้เรียนรู้แบบได้เรียนรู้จากผู้ที่ฉลาดมากสามารถที่จะสอนให้เราเข้า อ, อกเข้าใจได้ง่ายได้เร็ว<ม>กว่าบรรดาภาษาวกทั้งหลาย<ม>แต่ภาษาวกท่านก็สามารถสอนให้เรา ทในสิ่งที่เราควรจะทาเพื่อยกระดับเพื่อสร้างความสุขให้แก่จิตใจเพื่อปลดเพื่อความทุกข์ให้แก่จิตใจของเราได้เช่นเดียวกันก็อยู่ที่ว่าเราสามารถเลือกอย่างไหนได้ถ้าเราสามารถศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เราก็ไปศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่สามารถที่จะเลือกคำสอนของพระพุทธเจ้า เราสามารถเลือกเอาคําสอนของพระอริยสงฆ์สาวกมาสอนเราได้เราก็เอาคําสอนของพระอริยสงฆ์สาวกก็ได้คําสอนของพระพุทธเจ้าก็มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกแต่เนื่องจากคําสอนของพระพุทธเจ้านี้มีมากมายพระพุทธเจ้าทรงสอนหลายเรื่องด้วยกันซึ่งเราอาจจะไม่รู้ว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องที่เราควรจะศึกษากันอันนี้ถ้าเราไปศึกษากับ พระอริยสงสารกท่านก็จะอาจอสอนให้เราได้ศึกษาในเรื่องที่เราควรจะศึกษากันเพื่อที่เราจะได้นำเอาไปปฏิบัติกันคำสอนของพระเจ้านี้มีคำสอนที่เป็นคำสอนหลักและเป็นคำสอนที่เป็นคาสอนเสริมซึ่งบางทีมันมากมายถ้าเราเป็นผู้เริ่มต้นเรียนกานนี้เราอาจจะไม่รู้ว่าเราต้องไปเรียนคาสอนแบบไหนก่อน ถ้าเราจะเรียนทั้งหมดเลยมันก็จะต้องเสียเวลามากมแต่ถ้าเราได้มีโอกาสได้ไปศึกษาได้ไปเรียนกับพระอริยสงสาวก<ม>ท่านก็จะสอน<ม>ให้เราไปทําในสิ่งที่เราต้องเราสามารถทําได้ในทันทีทันใดและเป็นทางที่จะพาให้เราได้ไปสู่ความสุขและความเจริญ<ม>ได้ไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ได้<ม>ทางที่จะพาให้เรานี้ ไปสู่ความสุขความเจริญให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกนี้ก็คือทางของทานศีลภาวนานี่ขอให้เรามาศึกษาเพียงแค่สามอย่างนี้ก็พอถ้าเราอยากจะทําคุณทําประโยชน์ให้แก่จิตใจของเราให้ชําระจิตใจของเราให้สะอาดขึ้นกําจัดกิเลสปัญหาโมหะอาวิชชาเครื่องเศร้าหมองต่างๆที่ ทำให้ใจเรามีอาการเศร้ามีอาการงัวหมองนี้ขอให้เราปฏิบัติศึกษาทานศีลภาวนาเรียนรู้ว่าทานคืออะไรวิธีปฏิบัติทานต้องทําอย่างไรเรียนให้รู้ว่าศีลคืออะไรวิธีที่จะปฏิบัติศีลเป็นอย่างไรเรียนรู้ว่าภาวนานี้เป็นอย่างไร แวิธีที่จะปฏิบัติภาวานานี้ต้องปฏิบัติอย่างไร mm hmm. ขอให้เราเรียนรู้เพียงสามสิ่งนี้ก็พอในเบื้องต้น mm hmm. เบื้องต้นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ข้อแรกก็คือเรื่องของทาน mm hmm. เราต้องเรียนรู้ว่าทานคืออะไรท mm hmm. านนี้แปลว่าการให้ mm hmm. การให้ mm hmm. เวลาให้นี้จะทําให้เราได้สักพอกจิตใจของเรา mm hmm. ทําให้กิเลสตัณหา ที่สะสมอยู่ในใจของเรานี้ให้มีมันให้มีจนวนลดน้อยถอยลงไปเหมือนกับการเอาเสื้อผ้าไปซักซักผ้าเราก็จะเอาสิ่งที่สกรปรกคราบสกรปรกต่างๆที่ติดอยู่ในเสื้อผ้าให้มันหลุดออกไปการทำทานก็เป็นการชำระซักพอกจิตใจในระดับที่หนึ่งคือระดับทานเป็นระดับที่ง่ายที่สุด เหมาะกับผู้ที่เริ่มต้นที่จะมาทำการซักพอกจิตใจของตนก็ควร<อ><อ>ที่จะมาศึกษาวิธีทำทานว่าทำอย่างไรเบื้องต้นก็ต้องเข้าใจความหมายของคำว่าทานทานนี้แปลว่าการให้การเสียสละการแบ่งปันเช่นเรามีมีเงิน เมือมีข้าวของมากเกินกว่าที่เราจำเป็นจะต้องมีเช่นเราอาจจะมีเสื้อผ้ามากเกินไปเสื้อผ้าที่เราไม่ได้ใช้แล้วหรือรองเท้าของใช้ต่างๆที่เรามีอยู่แต่เราไม่ได้ใช้เลยเราซื้อมาเพราะเราชอบเราเห็นแล้วเราอยากได้แต่พอเราซื้อมาแล้วเราก็แทบจะไม่ได้ใช้ไม่ได้ใส่เลยเก็บไว้เฉยๆในตู้ เนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเอามาทำทานได้เอามาแบ่งปันเอามาแจกจ่ายให้กับผู้ได้ให้กับคนที่เขาขาดขาดแคลนคนที่ไม่มีเสื้อผ้าถ้าเรามีเสื้อผ้าที่เราไม่ได้ใช้เลยเราก็เอาเสื้อผ้านี้ไปทำทานได้เอาไปให้เขาได้มีข้าวของอต่างมีรองเท้ามีอะไรก็ตามของที่เรามีแล้วเราไม่ได้ใช้นี้ ถ้าเราอยากจะสักพอกจิตใจของเราให้สะอาดขึ้นยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นสร้างความสุขแก่จิตใจให้มีมากขึ้นลดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราให้น้อยลงไปก็ให้เรามาทําทานให้เราเอาของที่เรามีเกินกว่าที่เราจะใช้นี้มาแบ่งให้คนอื่นเขาได้ใช้บ้างคนที่เขาขาดแคลน เขาจะได้รับประโยชน์จากการให้ของเรานี่คือคำว่าทานคทานนี้เป็นการกระทำเรียกว่าเหตุเป็นเหตุทําทานแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็เกิดบุญขึ้นมาในบุญบุญคือผลที่เกิดจากการทำทานทำทานแล้วจะทำให้เกิดบุญบุญคืออะไรก็เกิดก็บุญก็คือความสุขใจความอิ่มใจ ที่เกิดจากการได้ชำระกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาให้น้อยลงไปให้เบาบางลงไปนั่นเองงันนี่คือบุญเราถึงบางทีก็เลยพูดแทนกันบางทีเราก็เรียกว่าทาทานบ้างบางทีเราก็เรียกว่าทาบุญบ้างแต่ความจริงนวความหมายที่แท้จริงก็คือการทาทานคือเราต้องทาทานคือเราต้องให้เราต้องเสียสละ เราต้องแบ่งปันเข้าของเงินทองที่เรามีเหลือกินเหลือใช้ถ้าเราอยากจะทําให้มีบุญขึ้นมาในใจของเราให้มีความสุขขึ้นมาในใจให้มีให้ใจของเราสะอาดขึ้นเพราะการทําบุญทําทานนี้เป็นการซักพอกกิเลสตัณหาบางส่วนให้น้อยลงไปกิเลสตัณหาที่เราสามารถซักพอกจากการทําทานได้คืออะไรก็คือ ความโลภนี่เองความโลภอยากได้เข้าของเงินทองอยู่เรื่อยๆทั้งๆที่เราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีแต่ความโลภมันไม่มีความมันไม่มีเหตุมีผลเวลามันเห็นอะไรที่มันถูกใจที่ชอบใจกิเลสมันจะสร้างความโลภขึ้นมาให้เราอยากได้ทันทีเห็นเสื้อผ้าทั้งๆที่เรามีเสื้อผ้าอยู่เต็มตู้แล้วพอเห็นเสื้อผ้าใหม่ๆที่อยู่ตามร้าน ของมันก็อยากจะได้ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราทําทานคือเอาเสื้อผ้าที่เรามีเหลือกินเหลือเหลือใช้นี้เอาไปแจกจ่ายไปมันก็จะทําให้เราลดความโลภอยากได้เสื้อผ้าขึ้นมาได้เพราะเวลาที่เราไปเห็นเสื้อผ้าในร้านแล้วเราอยากจะได้เราก็คิดว่าเอามาทําไมเอามาแล้วเราก็ไม่ได้ใช้เราก็ต้องเอาไปให้คนอื่นอยู่ดีมันก็จะลดความโลภความอยากได้ ข้าวของต่างๆที่เรามีเหลือกินเหลือใช้อยู่แล้วนี่คือลดความโลภข้อที่สองก็ลดความตะนนีความหวงแหนห<ง>เรามักจะมีความหวงแหนข้าวของเงินทองต่างๆที่เรามีอยู่นี่ความหวงแหนนี่มันจะทําให้ใจเรามันจะบีบรัดใจของเราให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความวิตกเกิดความกังวลเกิดความห่วงใยขึ้นมา ถ้าเรามีความตนหนีมากเราจะมีความหวงมากแล้วเราก็จะมีควา ม, มกังวลมากเวลาที่เราบางทีไม่ได้มีโอกาสได้อยู่ใกล้ทรัพสมบัติของเราเราก็จะมีความทุกข์ขึ้นมามีความกังวลว่าทรัพสมบัติของเรามันจะอยู่กับเราหรือไม่อย่างไรเพราะความหวงความหวง<ม><ม>แต่ถ้าเราเป็นคนที่มีใจใจที่เป็นทาน เราไม่กังวลกับของที่เรามีมากเกินกว่าที่เราจะมีมันจะไม่มีเราก็อยู่ได้มันก็จะทำให้เราไม่มีความรู้สึกตระหนกกังวลกับทรัพสมบัติข้าวของเงินทองที่เรามีเราจะเห็นว่ามันเป็นของชั่วคราวทรัพสมบัติตายไปเราก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีสักวันหนึ่งเราก็ต้องมีการพัดพากจากทรัพสมบัติข้าวของเงินทองของเราไป มาหวงมาห่วงมันได้ประโยชน์อะไรเงินทองมีไว้สาหรับมาให้ความสุขกับเราไม่ใช่เมมามีไว้เพื่อมาให้ความทุกข์ความกังวลกับเราถ้าเราไม่รู้จักวิธีปฏิบัติกับเงินทองเงินทองที่เราหามานี้แทนที่จะมาให้ความสุขกับเรามันกลับกลายมาให้ความทุกข์กับเราทุกเพราะว่าเราไปยึดไปติดไปหวงมันมากจนเกินไปจนลืมหลักของความเป็นจริงว่า เราอยู่ในโลกของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนโลกของความไม่ถาวรโลกของโลกของความชั่วข่าวทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี้มันก็เป็นของที่ไม่แน่นอนเป็นของชั่วข่าววันดีคืนดีมันก็อาจจะจากเราไปได้โดยที่เรายังไม่ได้อยากให้มันจากไปแต่ถ้าเรารู้ไว้ล่วงหน้าก่อนว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเจอกันไม่ช้าก็เร็ว ถ้าเรามีของที่มันมากเกินไปเราก็บอยจากไปเสียก่อนเลยดีกว่าถ้าเรายินดีก็ให้สิ่งที่เรามีไปด้วยความยินดีเวลาที่เราจะต้องสูญเสียของที่เรามีไปต่อไปเราจะไม่ทุกข์แทนที่จะทุกข์เรากลับจะรู้สึกสบายใจโล่ง อ, อกว่าสบายหมดภาระไปไม่ต้องมาคอยกังวลไม่ต้องมาคอยดูแลมาคอยรักษาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เราไม่ได้ใช้มันอยู่ดี ให้คิดอย่างนี้เนี <Yeah. S 1> ย่ยการทำทานนี้มีหน้าที่เพื่อซักพ่อเพื่อลดกิเลสตัณหา <Yeah. S 1> ความโลภความตณีให้มันเบาบางลงไป <Yeah. S 1> เพื่อที่จะได้ทำให้จิตใจเรามีความสุขมีความสบายเพิ่มมากขึ้น <Yeah. S 1> มีความทุกข์มีความวิตกกังวลให้น้อยลงไป <Yeah. S 1> อันนี้คือความหมายหน้าที่ของการทำทาน <Yeah. S 1> เพื่อชำระซักพ่อกิเลสตัณหา ความโลภความตณีให้น้อยลงไปความยึดมั่นถือมั่นในทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆให้รู้ว่าทรัพสมบัติเข้าของเงินทองเป็นของชั่วคราวไม่มีใครสามารถเอาทรัพสมบัติเข้าของเงินทองนี้ติดตัวไปกับตนได้เวลาที่ตนเองจะตายและเวลาจะตายก็ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ อ, อาจจะตายได้ทุกเวลาอาจจะตายวันนี้ก็ได้อาจจะตายวันพรุ่งนี้ก็ได้ ไม่จำเป็นว่าจะต้องรอให้แก่ตายหรือเจ็บตายความตายมันมันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเวลากับทุกคนทุกที่ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะได้คลายความยึดติดในทรัพ์สมบัติข้าวของเงินทองเมื่อเราคลายความยึดติดได้ใจเราก็จะเบาใจเราก็จะมีความสุขแล้วถ้าเราเห็นว่ามันเป็นของที่เราไม่ได้ใช้ไม่มีความจาเป็นอย่าต้องอาศัยมัน เราก็เอาไปให้คนที่เขาทุกข์ยากเดือดร้อนเขาได้รับการช่วยเหลือจากเราจะดีกว่าเมื่อเราให้แล้วใจของเราจะเกิดความสุขเกิดความอิ่มเอิบขึ้นมาใจของเราก็จะได้ยกระดับจากการเป็นผู้โลภผู้อยากได้ <k ink Zhen berg> การเป็นผู้ให้การเป็ <k ink> นผู้ให้นี้ก็คือการยกระดับจิตให้ขึ้นสูงขึ้นจากการเป็นมนุษย์ให้ขึ้นไปสู่ <k ink> การเป็นเทวดา เทพนี้เป็นผู้ที่ให้ช่วยเหลือให้ความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นนี่คือหน้าที่ของทานทําทานเพื่อให้เราได้ซักพอกจิตใจให้ลดความโลภความตนันเองให้น้อยลงไปให้จิตใจของเราะสะอาดบอยสุดขึ้นมาเพื่อให้ใจของเรามีความทุกข์น้อยลงไป มีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปและการให้นี้เราสามารถให้ใครก็ได้แล้วแต่เราอยากจะให้ใครนี่เราสามารถให้ได้<ม>ผู้รับนี้ไม่สำคัญสาคัญอยู่ที่การให้ของเราถ้าเราพร้อมที่จะให้เราสามารถเลือกให้กับบุคคลต่างๆได้เราชอบจะให้ใครเราก็ให้บุคคลนั้นก็ได้แล้วแต่เราบางคนอยากจะให้เพราะความ ความกตันอยู่อยากจะทดแทนบุญคุณเราก็ให้กับบุคคลที่มีพระคุณกับเราเช่นให้กับบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายหรือให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ทําคุณทําประโยชน์ให้กับเราก็ดีหรือให้กับสังคมก็ดีเช่นเราทําบุญกับวัดก็เพราะว่าเรามีความกตันอยู่ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราสํานึกในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ในการที่เอาธรรมะอ mm ันเลิศอันประเสริฐมาเผยแพ่มาสั่งสอนให้กับพวกเราเพื่อพวกเราจะได้รู้จักวิธีสร้างความสุขความจเจริญให้แก่จิตใจของเราลดความทุกข์ความวุ่นวายใจของเราให้น้อยลงไป mm hmm. จนหมดสิ้นไป mm hmm. เราก็สามารถทําบุญกับพระศาสนาได้ mm hmm. ทําบุญกับวัดวาารามต่างๆทำกับพระสงฆ์องค์เจ้าต่างๆ อันนี้เรียกว่าทำทำทำเพื่อตอบแทนบุญคุณทำเพื่อบูชาพราะคุณเป็นการแสดงความกตัญญูกตวเวทีหรือถ้าเราอยากจะทำด้วยความเมตตาสงเคราะห์ผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเราก็ทำได้ทำกับคนป่วยคนไข้ที่โรงพยาบาลทำกับเด็กยากจนที่ไม่มีทุนการศึกษาให้การศึกษากับเขาหรือทำบุญกับ สัตว์เลี้ยงต่างๆสุนัขจรจัดที่ไม่มีอาหารรับประทานไม่มีที่อยู่อาศัยหรือทําบุญกับสัตว์ที่จะถูกฆ่าปล่อยนกปล่อยปลาถ่ายชีวิตวัวควายอันนี้ก็เป็นการทําทานเหมือนกันเป็นการทําบุญเหมือนกันได้บุญเหมือนกันไม่จําเป็นว่าจะต้องทํากับพระสงฆ์องค์เจ้าทํากับพระพุทธศาสนาเพียงอย่างเดียวถึงจะทาให้เกิดบุญขึ้นมามันเป็นการกระทําเหมือนกันก็คือการให้ เป็นทานทานเพียงแต่ว่าประโยชน์ที่เราให้ประโยชน์ที่เราได้รับจากบุคคลที่เราไปทําทานด้วยนี้อาจจะต่างกันถ้าเราทําทานกับบุคคลที่มีพระคุณกับเราเราก็ได้ได้รับบุญคุณจากท่านเลี้ยงดูเรามาช่วยเหลือเรามาเราก็ทําบุญคุณกับเราก็ทําบุญตอบแทนบุญคุณกับท่านหรือถ้าเรายังต้องการที่ ต้องการสิ่งจากท่านอีกเราก็อาจจะได้อีกเพิ่มขึ้นเช่นเรามาทําบุญกับวัดนี้ทําบุญกับพระสงฆ์องค์เจ้านี้นอกจากเราจะได้บุญที่เกิดจากการชําระจิตใจของเราให้สะอาดขึ้นแล้วเรายังจะได้ธรรมะได้คําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเป็นสิ่งตอบแทนเพิ่มขึ้นอีกด้วยแล้วก็ธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็เป็นของที่ มีคุณค่ายิ่งกว่าของอะไรต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ด้วยการทำบุญกับพระสงฆ์องค์เจ้าโดยเฉพาะพระที่เป็นพระอริยบุคคลนี้ยึงถือว่าเป็นการทำบุญที่ได้บุญมากที่สุดได้ประโยชน์มากที่สุดคือนอกจากได้การชำะระซักพอกใจของตนแล้วก็ยังได้ธรรมะคำสั่งคำสอนที่จะสามารถนำม า, ม า, มาใช้มาปฏิบัติเพื่อให้จิตใจของเรานี้สะอาดมากขึ้น จเจริญสูงมากขึ้นจ น, นจนถึงขั้นสูงสุดได้ก็เกิดจากการที่เราทําบุญกับพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าทำแล้วเราก็จะได้ศึกษาได้ยินได้ฟังธรรมจากท่านแล้วถ้าเราปฏิบัติแล้วเกิดมีปัญหาเกิดมีความเข้าใจเกิดความสงสัยไม่เข้าใจอะไรเราก็สามารถเข้ามาสอบถามได้ นี่ น, ะนีคือเรื่องของการทำบุญทำทานโดยหลักแล้วเราทำเพื่อใจของเราทำเพื่อชำระใจของเราส่วนบุคคลที่เราทำด้วยนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นสิ่งที่ไม่เป็นสิ่งที่ชี้นำว่าเราจะชัได้บุญจากการชาระจิตใจของเราหรือไม่ทำทากับใครก็เราก็ได้ชำระจิตใจเหมือนกันชำระความโลภความตเนี่นี้ ทำกับใครก็ได้เหมือนกันทำกับพระสงฆ์องค์เจ้าก็ดีทำกับคนธรรมดาสามัญก็ดีทำกับสัตว์เลี้ยงสัตว์จอจัดก็ดีการชาระจิตใจก็ได้เหมือนกันชำระความโลภชำระความตัณหาได้เหมือนกัน mm hmm. แต่ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากบุคคลที่เราไปทำบุญด้วยนี้ก็จะได้รับต่างกัน mm hmm. ถ้าเราทำบุญกับพระสงฆ์องค์เจ้าเราก็จะได้ธรรมะ ถ้าเราทำบุญกับคนธรรมดาเราก็อาจจะได้การขอบคุณขอบอกขอบใจถ้าเราทำบุญทำทานกับสุนักเราก็อาจจะได้สุนักมาคอยเฝ้าบ้านให้กับเราอันนี้ผลลัพธ์เหล่านี้ต่างกันแต่ผลที่ได้ในใจของเราคือการชำระใจของเรานี้ได้เหมือนกันได้เท่ากันได้ชำระความโลภได้ชำระความตนีให้น้อยลงไปได้เท่ากันอันนี้คือสิ่งที่เราควรที่จะ ศึกษาและพยายามทำกันเพราะเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดในการในการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทำทานกันถ้าเราไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของเหลือกินเหลือใช้เราก็ยังสามารถทำทานได้ทำทานด้วยการใช้เวลาและร่างกายของเราไปทำคุณทำประโยชน์เช่นไปเป็นอาสาสมัครไปทำงานทำการโดยที่ไม่รับ ไม่รับผลตอบแทนไม่รับเงินเดือนไม่รับค่าจ้างเงินทองต่างๆเอ็น mm. เราไปที่ไหนเห็นที่ไหนเขาต้องการคนช่วยเหลือต้องการแรงงานเรามีเวลาว่างเราอยากจะทำบุญทาทานเราก็ทำบุญทาทานด้วยการเอาเวลาว่างของเรานี้มาทำคุณทาประโยชน์เพราะว่าเราไม่มีเงินทองที่จะมาทำแต่เรามีร่างกายที่เราสามารถเอาร่างกายมาทำคุณทาประโยชน์แทนางทนเงินทองได้ อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำบุญทําทานเหมือนกันหรือว่าถ้าเรามีความรู้วิชาความรู้ต่างๆที่เราสามารถสอนให้คนอื่นที่เขาอยากจะเรียนรู้ได้เรียนรู้เพื่อเขาจะได้นำเอาไปทาประโยชน์ต่อไปเราก็เอาวิชาความรู้ต่างๆเหล่านี้มาสอนคนอื่นได้โดยที่ไม่คิดเงินทองไม่ไม่เรียกผลตอบแทนอันนี้ก็เรียกว่าเป็นวิทยาทานถ้าเราให้ข้าวของเงินทองต่างๆนี้เราก็เรียกว่า เราให้วัตถุทานวัตถุทานข้าของเงินทองก็คือวัตถุเวล า, าที่เราให้ข้าของเงินทองก็เรียกว่าเราให้วัตถุทานเวลาที่เราให้วิชาความรู้ต่างๆก็เรียกว่าวิทยาทานาหรือถ้าเรามีหนังสือธรรมะที่เราอ่านแล้วมีคุณมีประโยชน์ทาให้จิตใจเร า, เ า, ามีความทุกข์น้อยลง ทำให้จิตใจเรามีความสว่างมีความมีปัญญาเพิ่มมากขึ้นถ้าเราเห็นคนที่เขาต้องการหนังสือธรรมะเราก็เอาทาหนังสือธรรมะที่เรามีอยู่นี้ไปบริจาคก็ได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทาธรรมทานให้ธรรมะแก่ผู้วิธีอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถให้ได้ก็คือการให้อภัยเวลาใครเข้ามาทำให้เราเกิดความเดือดร้อนเสียหาย เราจะไปร้านแค้นเขาจะไปจองเวรจองกรรมเขาเราก็ให้อภัยเขาอย่าไปจองเวรจองกรรมกันระงับการจองเวรจองกรรมด้วยการให้อภัยเวลาเราให้อภัยได้แล้วใจของเราจะเย็นใจของเราจะสบายจะหายโกรธหายแค้นถ้าเราจ้องจะอาฆาตพยาบาทจะจองเวรจองกรรมนี้จะสร้างความทุกข์สร้างความแค้นสร้างความร้อนใจให้กับเรา แต่ถ้าเราให้อภัยได้ให้อภัยทาน<ม>เราก็จะทำให้ใจเราสบายเย็นข<ม>ึ้นมาอันนี้ก็เป็นการชาระกิเลสคือความโกรธที่มีอยู่ในใจของเราให้น้อยลงไป<ม>อันนี้ก็คือวิธีการทำทานต่างๆที่เราควรจะศึกษากันและควรที่จะทำกันอยู่เรื่อยๆเพราะมันเป็นเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่จิตใจ การการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นภพชาติเดียวเท่านั้นที่เราสามารถที่จะมาซักพอกจิตใจของเราได้เวลาที่เราตายไปแล้วแล้วเราไปเกิดในภพต่างๆไม่ว่าจะไปเกิดในสุคติไปเป็นเทเพเป็นพรมเราจะไม่สามารถที่จะซักพอกจิตใจของเราได้หรือเวลาที่เราไปรับผลบาปที่เราทําไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นสัตว์เบลฉานไปเป็นเปรต เป็นอสลรกายหรือไปตกนรกเวลานั้นเราก็จะไม่สามารถทําการซักพอกจิตใจของเราได้มีภพเดียวเท่านั้นในในบรรดาภพทั้งหลายในตายภพนี้ที่เป็นภพที่เราสามารถที่จะมาซักพอกจิตใจของเราให้สะอาดขึ้นได้ก็คือภพของของมนุษย์นี่เอภพอื่นนี้เป็นภพที่เราไปไปรับผลบุญผลบา แต่ภพของมนุษย์นี้เป็นพบที่เรามาสร้างบุญหรือมาสร้างบาปกันดังนั้นถ้าเรามีมีโชคมีวาสนาที่ได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาได้มาเจอกับคำสั่งคำสอนที่ดีที่งามที่สอนให้เรามาสร้างความสุขสร้างความเจริญให้แก่จิตใจเราก็ควรที่จะมีศรัทธาความเชื่อแล้วน้อมเอาคำสั่งคำสอน ต่างๆที่พู้เจ้าทรงสอนนี้ให้เรามาปฏิบัติกันให้เรามาปฏิบัติกันเพื่อที่เราจะได้ยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นซักพอกจิตใจของเราให้สะอาดมากขึ้นถ้าเราเป็นคนที่มีความที่มีความเชื่อมั่นและมีความมีความมุมานะที่อยากจะซักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เลย ในภพนี้ชาตินี้ก็เราก็อาจจะสามารถทำได้สามารถปฏิบัติตามคำสอนของพุทธเจ้าทั้ง3มระดับได้ตั้งแต่ระดับทานขึ้นไปสู่ระดับศีลสู่ระดับภาวนาเมืม่อได้ปฏิบัติได้ทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาอย่างเต็มร้อยแล้วเราก็จะสามารถที่จะซักพอกจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้อย่างร้อเอร์เซนต์ ถ้าธาใจของเราซาบสุดได้ร้อยเปอร์เซ็แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเราก็จะไปอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระอรหันตสาวกทั้งหลายที่ที่พระนิพพานที่พระนิพพานนี้เป็นที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดจะเรียกว่าเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดก็ได้เป็นสัรรค์ที่อยู่นอกนอกนอกตายภพ สวรรค์ต่างๆในตายพบนี้เป็นสวรรค์ชั่วคราวเป็นที่อยู่ชั่วคราวไปเกิดเป็นเทพเมื่อสวรรค์หมดเมื่อบุญหมดก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ไปเกิดเป็นพรหมเมื่อบุญหมดก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็ต้องมาสร้างบุญสร้างกุศลใหม่ขึ้นๆลงๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราสามารถปฏิบัติจนกระทั่งยกระดับจิตใจของเราให้ขึ้นถึงระดับของพระนิพพานได้ เราก็จะหลุดออกจากวงการดึงดูดของตายพบได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปไม่ต้องมาทําบุญทํากุศลไม่ต้องมาปฏิบัติธรรมอีกต่อไปดังนั้นเราต้องควรจำเนึกว่าการที่เราได้มาเกิดในภพนี้ชาตินี้นี้เป็นภพชาติที่วิเศษมากนานๆจะเกิดขึ้นกับเราได้สักครั้งหนึ่งเพราะนานๆจะมีโอกาสที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ แล้วได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนานี้ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะอยู่กับโลกนี้ไปตลอดพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์นี้ก็จะอยู่ได้ไม่เกินห้าพันปีเท่านั้นเองหลังจากห้าพันปีไปแล้วเมื่อเรากลับมาเกิดใหม่ในคราวหน้าเราอาจจะไม่ได้มาเจอพระพุทธศาสนาอีกก็ได้เมื่อไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีใครมาสอนมาบอกเรา ให้รู้จักวิธีชำระจิตใจของเราให้สะอาดปลดเปื้องดับความทุกข์ต่างๆที่มีในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าไม่มีเราก็ยังเราก็จะต้องมามาเกิดแล้วก็มาทําอะไรตามความรู้สึกของเราทําบุญบ้างทําบาปบ้างตายไปก็ไปรับผลบุญผลบาปในภพต่างๆแล้วพอหมดบุญหมดบาปก็กลับมาเกิดใหม่อีกเรื่อยๆ เกิดมาเกิดเป็นมนุษย์มาทำบุญทำบาปใหม่จนกว่าเราจะได้มาเจอพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปซึ่งไม่รู้ว่าจะมีขึ้นมาอีกเมื่อไหร่ศาสนาพุทธนี้มีอายุได้อยู่ประมาณ 5,000 ปีตอนนี้ก็ผ่านมาครึ่งหนึ่งแล้ว 2,500 กว่าปีแล้วสมมติว่าถ้าเราตายไปเราไปเกิดเป็นเทพหรือเกิดไปเป็นพรหมนี้อาจจะอยู่หลายพันปีกว่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ มากลับมาเกิดในยุคหน้าอาจจะไม่เจอคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกแล้วเมื่อไม่มีคำสอนของพพุทธเจ้าเราก็จะถูกคำสอนของกิเลสตัณหาที่มันคอยเสี่มสอนเราอยู่ตลอดเวลาให้เราไปาหาความสุขจากการาการหาเงินหาทองหาลาบยศสารเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสเสลแล้วก็อาจจะหลอกให้เราต้องไปทาบาปทากรรมเพื่อที่เราจะได้ มีเงินมีทางมาใช้ตอบถนองความอยากต่างๆของเราแล้วพอเราตายไปเราก็จะต้องไปรับผลบาปที่เราทำกันเมื่อพ้นจากบาปกลับมาเกิดใหม่ก็ถูกกิเลสมาเชี่ยมสอนให้เรามาหาความสุขทางร่างกายใหม่อยู่เรื่อยๆจนกว่าเราจะได้มาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะสอนสวนทางกับคำสอนของกิเลสตัณหาแทนที่จะให้เรามาหาความสุขทางร่างกาย ให้เรามาหาความสุขทางจิตใจกันด้วยการทำบุญทำกุศลด้วยการทำบุญทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนากันถึงจะมีโอกาสที่จะทำให้เหล่านี้ยุติวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้มีศาสนาพุทธนั้นที่เป็นศาสนาที่เป็นคำสอนที่จะสอนให้จิตใจของสรรโลกนี้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดใน ในสังสารวัฏในตายพบนี้ได้ถ้าไม่มีคําสอนของพระพุทธศาสนาอยู่ในโลกนี้แล้วจักโลกนี้จะถูกคําสอนของกิเลสตัณหาของโมหะอาวิชชาคอยเสี้ยมสอนให้ไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะทุกภพทุกชาติทุกครั้งที่มาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะสอนให้ไปหาลาบยศสารเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกาย แล้วเมื่อตายไปก็จะต้องไปรับผลบุญผลบาปที่นี่ได้ทําไว้ในขณะที่แสวงหาความสุขจากราบยศฉลสรสุขกันก็จะไม่มีวันสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดจะสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็ต้องมือมาเกิดในยุคที่มีคําสั่งคําสอนของพระพุทธศาสนาที่มาสอนให้เรามา ชำละความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆตัวที่พาให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันอย่างไม่รู้จักจบจากสิ้นด้วยการชำระจิตใ จ, จด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนานี่เองทานศีลภาวนานี้คือเครื่องซักพอกจิตใ จ, จซักพ่อกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาให้หมดสิ้นไปจากใจของเราถ้าเราอยากได้ความความเบิกบูชาสุดผุดผ่องของใจอยากจะได้การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด เราต้องมาศึกษาเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนากันเมื่อศึกษาแล้วรู้แล้วว่ามันเป็นอะไรต้องทำอย่างไรก็นำไปปฏิบัติกันอย่างที่พระเจ้าทรงสอนให้เรามากระทำกันทุกวันพระนี่แหละสอนให้เรามาศึกษาวิธีซักพอก จ, จิตใจแล้วก็นำมาวิธีที่เราได้เรียนรู้นี้ไปซักพอกจิตใจด้วยการปฏิบัติทาทานรักษาศีลภาวนาทาไปแล้วเมื่อเราเห็นผล ว่ามีคุณมีประโยชน์แก่จิตใจของเราเราก็จะเกิดความยินดีที่จะทําทเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะไม่อยากทําอะไรนอกจากต้องการจะซักพอกจิตใจของเราเพียงอย่างเดียวอยากให้จิตใจของเราสะอาดบริสุทธิ์ถ้าเราถึงขั้นนั้นแล้วรับไดรับรองได้ว่าไม่นานจิตใจของเราก็จะต้องสะอาดบริสุทธิ์อย่างแน่นอนเมื่อจิตใจเราเส้นกินเลสแล้วจิตใจของเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป จิตใจเราก็จะได้อยู่ที่พระนิพพานไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือเรื่องผลที่เราจะได้รับจากการที่เรามาทำธุระที่พุะเจ้าได้ทรงมอบหมายไว้ให้กระทำสองธุระด้วยกันคือการถาธุระและวิปัสนาธุระก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริกปุเรนติสาขลง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 มาเตภวตวันตารายโสุขีทีขายยโกภะอภิวาธนสิลิศานิจังวุธาปจายิโนจตารโรธรมมวัทานติอายุวันโสุขังภาลาช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม ใครมีคำถามอยากจะถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้มีมือถือก็ส่งเข้ามาทางเพจทางยูท b e แต่แต่ขอให้ถามในช่วงนี้เพราะว่าหลังจากที่เลิกแล้วจะไม่สะดวกที่จะตอบคำถามเพราะจะต้องทำงานอย่างอางื่นใช่วงนี้ที่สะดวกที่สุดอันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ วันนี้มีผู้รับฟังธรรมะนาคุฏจากทางเฟ e บุ๊กพระอาจารย์สุชาติ405ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์345ย o u t บ b e d กเตอร์วีชาแนล69วิทยุออนไลน์9 c l ับ h o u s e 4นาคุต245รวมทั้งหมด 1,077 ท่านคะ่ะ คำถามจากผู้เราฟังนากรุตค่ะคนเป็นโรคซึมเศร้ามีวิธีการภาวนาอย่างไรคะถ้าทำได้ก็คือให้เจริญสติก่อนพยายามท่องพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปภายในใจอยู่เรื่อยๆถ้ามีสติก็จะทำให้ใจสงบได้ใจสงบแล้วอาการซึมเศร้าก็จะหายไปคำถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะ การทำบุญโดยการล้างห้องน้ำกับการทำบุญด้วยกดด้วยการกวาดบ้านถูบ้านผลบุญที่ได้รับจะเท่ากันหรือเปล่าคะทมบ้านของเราเองไม่ค่อยได้บุญเท่าไหร่เพราะมันทำให้กับตัวเราต้องทำให้กับคนอื่นต้องมีการเสียสละถึงจะเป็นการให้การทำให้กับของเรานี่มันเป็นเรื่องของความจำเป็นที่เราต้องเลี้ยงดูร่างกายไม่ถือว่าเป็นบุญ เป็นการกระทําที่ไม่เป็นบุญหรือไม่เป็นบาปแต่การทําประโยชน์ให้กับคนอื่นนี่เรียกว่าเป็นบุญยังมไม่มีมค่ะ อ, อ๋อมาละค่ะคำถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะ การให้ทานยิ่งให้ยิ่งได้ที่ว่าเราได้เราได้อะไรทั้งที่การให้คือการสละทรัพย์เราจะไม่มีวันที่จะหมดทรัพย์ไปใช่ไหมคะเรอาอได้ความบริสุทธิ์ของใจได้ความสะอาดเหมือนการซักผ้าเสื้อผ้ายิ่งซักเสื้อผ้าก็ยิ่งสะอาดยิ่งให้ก็ยิ่งชำระความความโลภความตนิให้เบาบางลงหรือให้หมดไปเลยก็ได้ ยังไม่มีคำถามค่ะเราเสียทางทรัพย์ผมบ่อยเข้าของเงินทองแต่เราาเราได้ทางจิตใจได้ทรัพพอกจิตใจของเราให้สะอาดขึ้นให้มีความทุกข์น้อยลงความกังวลน้อยลงความหวงหวงน้อยลงทำให้เรามีความสุขมากขึ้น คำถามสกุลธาราทิพย์ค่ะหากเราต้องการสําเร็จโสดาบันในชาตินี้แต่เรามีครอบครัวเราควรปฏิบัติต้นอย่างไรคะก็เหมือนอยากจะซื้อรถเบนซ์น่ยแต่มีเงินแค่สองหมื่นจะทํายังไงก็เก็บเงินไปก่อนเว้ยเก็บเงินไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆจนกว่าจะมีเงินพอซื้อรถเบนซ์ก็ค่อยไปซื้ อ, อเราอยากจะเป็นโสดาบันล้วก็พยายามปฏิบัติทานศีลภาวนาไปเรื่อยๆปฏิบัติให้มากขึ้นไปเรื่อยๆ พอมันได้ถึงขั้นโสดาบันมันก็จะได้ค่ะคำถามจากทางคุณสวรรองค่ะลูกเดินจงกรมเท้าก้าวพุทธสายโทพุทธโทรไปเรื่อยๆแต่จิตไม่สงบและฝุงซ่านมากคนแก้ยังไงครับคือใหม่ๆหม่ก็ยังมันไม่สงบทันทีทันใดหรอกมันต้องใช้เวลาอาจจะต้องเดินไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงมันถึงจะเริ่มสงบได้ เพงแต่เดินแค่นาทีสองนาทีแล้วจะให้มันสงบนี้มันไม่สงบหรอกคําำถามจากทางจากทางยูทูปอาจารย์สุชาติค่ะการฝืนนั่งสมาธิต่อไปให้ครบเวลาที่ตั้งใจไว้ทั้งที่จิตใจฟุ้งซ่านไม่เป็นสมาธิถือเป็นการพัฒนาให้จิตมีสมาธิได้ไหมครับก็อยู่ที่ว่าเรานั่งถูกวิธีหรือไม่ถ้านั่งถูกวิธีคือนั่งด้วยการมีสติ นั่งแล้วต้องพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธอย่าไปหยุดหรือถ้าไม่พุโทโธพุธโทโธก็ต้องดูลมหายใจเขา้า ม, มันท่านท่านฝืนไปนี้เดี๋ยวไม่ช้าก็เร <erella, S 1> ็วมันก็จะสงบได้แต่ถ้านั่งไปแล้วปล่อยให้ใจคิดฟุ้งซ่าน <S <S ไม่ได้อยู่กับพุโทโธไม่ได้อยู่กับดูการดูลมหายใจนี้มันก็ไม่มีวันที่จะสงบได้ต่อให้นั่งไปนานสักเท่าไหร่ก็มันก็จะไม่สงบแต่สงบได้ต้องมีสติควบคุมใจไม่ให้คิดฟุงแต่ง ใช้คำบริกรรมพุโทโธคาเดียวก็ได้พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปหรือถ้าเราเหนื่อยจากการบริกรรมพุโทโธก็มาดูลมหายใจเข้าออกแทนก็ได้หายใจเข้าหายใจออกก็รู้อยู่ที่ปลายจมูกถ้าเรามีการทำด้วยสติแล้วเดี๋ยวใจก็จะต้องสงบอย่างแน่นอนคำถามจากทาง y o u t u ู e พระอาจารย์สุชาติค่ะภาวนาไปไม่เจอตาน้ำหมายความว่าอะไรครับ ภาวนาไปแล้วทำไมนะไม่เจอตาน้ำตาน้ำก็ไม่ได้ภาวนาะเพื่อหาตาน้ําหาตาใจหาตัวรู้หาผู้รู้คำถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะทําอย่างไรจะเป็นคนฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมต้องปฏิบัติต้นเหมือนกันไหมคะก็ถ้าอยากจะหาทางโลกก็ต้องอยู่กับคนที่ฉลาดทางโลก เช่นไปเรียนเรียนความรู้จากมหาวิทยาลัยจะมีแต่คนฉลาดทางโลกเขาสอนอยากจะรู้อะไรก็ไปเรียนวิชาเหล่านั้นจากคนที่ฉลาดทางโลกถ้าอยากจะฉลาดทางธรรมก็ต้องไปเรียนวิชาทางธรรมกับคนที่เขาฉลาดทางธรรมก็คือพระพุทธพระธรรมพรสนงน์ค่ะคำถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะ การฝึกสติส่งผลดีต่อการใช้ชีวิตมากครับสิ่งที่จะถามคือเรื่องของแถมเ <c oughs> พราะตอนนี้หน้าที่การงานได้เลื่อนตําแหน่งไปเรื่อยๆจะปฏิเสธนายจ้างยังไงไม่ให้เขาเคืองครับเพราะยังจําเป็นต้องเลี้ยงพ่อแม่ตามที่ท่านของาอะไรที่ไม่เข้าใจคำถามเหมือนไม่ส ม, มุติเดี๋ยวหนุ่ เหมือนกับเขามีความลุ่งเรืองทางหน้าที่การงานได้เลื่อตนตำแหน่งไปเรื่อยๆแต่จะจะทำยังไงจะปฏิเสธนายจ้างยังไงไม่ให้เขาเครืองเคลืองเรื่องอะไรนั่นเป็นสิ่ง <c oughs> ให้ให้ถงให้เขาพิมพ์มาใหม่แล้วกันค่ะ <c oughs> คำถามจากทางผู้รับฟังนากดค่ะ หนูทำสมาธิแล้วมักสะอึกนั่งได้ประมาณ 40-50 ถึงนาทีก็สะอึกเป็นเพราะอะไรและจะแก้อย่างไรเจ้าคะก็ต้องไปหาหมอมถ้าเรื่องสะอึกมันเรื่องของทางร่างกายว่าเรามีปัญหาอะไรทางร่างกายหรือไปธรรมดาแล้วถ้าร่างกายเป็นปกติมันไม่ควรจะสะอึกนี่น่า จ, จะเป็นเรื่องของทางร่างกายหรือถ้ามันเป็นแล้วอะอยากจะนั่งต่อล้วก็อย่าไปสนใจกับการสอือกก็ปล่อยมันสะอึกไป เราก็นั่งดูลมพเราต่อไปเรื่อยๆก็ได้อยากไปอยากให้มันหายสนิความอยากให้มันหายมันจะทําให้เราเครียดขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ไปอยากเราปล่อยให้มันสืบไปตามธรรมชาติของมันเราก็อยู่กับมันไปเราก็ดูลมหายใจเข้าออกไปต่อค่ะท่านเดิม พิมคาถามมาเพิ่มนะคะหมายถึงว่าหน้าที่การงานเนี่ยได้เลื่อนตําแหน่งขึ้นไปเรื่อยๆแต่ตําแหน่งเนี่ยยิ่งสูงบริวารยิ่งเยอะแล้วก็วุ่นวายค่ะ อ, อ๋อถ้าเราไม่อยากขึ้นสูงเราก็บอกเขาถึงว่าผมพอใจแค่นี้แหละให้คนอื่นขึ้นไปแทนผมเถิดก็ทํานั้นเองแต่นายจ้างหรือเจ้านายเขาอาจจะไม่แฮปปี้ก็ช่วยไม่ได้เพราะเราต้องดู จ, จิตใจของเราเป็นหลักถ้าเราขึ้นไปแล้วเราเครียดเราทุกข์มันก็ไม่เกิดไปอยู่อะไรกับเรา mm. เราต้องรักษาใจเรายิ่งกว่าเรารักษาสิ่งอื่นใดใในโลก น, ใ น, ในี้ mm. อย่างเช่นทีพูดเนี่ยให้รักให้สละทัพ์เพื่อรักษาอาวัยวะสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมที่จะมารักษาใจของเราให้สงบ mm. คําถามจะพูดเราฟังนาะกุนค่ะ เวลาสวดมนต์ที่บ้านเวลาสวดมนต์ที่บ้านปากสวดออกเสียงได้ท้องมดได้ถูกต้องแต่แต่ระหว่างสวดใจกับมุ่งคิดแต่เรื่องที่ถูกใจอยากขอเทคนิคแนะนำว่าควรต้องทำอย่างไรครับก็สวดช้าๆให้มันอยู่กับการสวดอย่างเดียวสวดอิติปิโสภะกวาอาหังสัมมาไปก่อน ถ้าเราสวดไปเร็วๆมันก็จะใจก็จ ะ, จะวับไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ก็ลองให้สวดแบบที่มันสวดช้าๆสวดที่จะจ ะ, จะจะต้องให้มันจดจอ่อกับการสวดจริงๆก็ลองทำดูลองลองเปลี่ยนความการการสวดดูจากการสวดเร็วมาลองสวดช้าๆดูคำถามจากทางเฟ e บุ๊ k ค่ะ สามีเป็นชาวต่างชาติทุกครั้งที่จะทำบุญทำทานเขาจะบอกเราว่าอย่าทำเยอะหรือไม่ค่อยอยากพาไปทำบุญก็เลยอยากถามว่าเราควรวางใจอย่างไรดีคะบางครั้งพอฟังเขาแล้วทำให้เราไม่อยากทำคะ่ะก็ขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นเงินของใครนะถ้า่ให้เป็นเงินของเราเราก็ไม่ต้องไปบอกเขาก็ได้เราทำแบบเงียบๆก็ได้สมัยนี้เราสามารถเอาเงินเข้าบัญชีวัดได้ เข้าบัญชีท้าขององค์กรที่เราต้องการจะทาบุญได้แต่ถ้าเป็นเงินของเขาด้วยเราก็ต้องขออนุญาตขอความยินยอมจากเขาถ้าเขาไม่ยินยอมเราก็ต้องก็ต้องรอไว้ก่อนรอไว้โอกาสที่เราทำได้โดยไม่มีปัญหาแล้วเราค่อยทำไปคำถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะสักแต่ว่ารู้ใช้กับทุกเหตุการณ์หรือเปล่าคะ ถ้าใช้ได้ก็ดีเช่นจะตายก็รู้สักแต่ว่ารู้เฉยๆไม่ตื่นเต้นตกใจเฉยๆทำอย่างนันน้นได้ก็จะตายอย่างสบายตายอย่างสงบคำถามจากคุณจิรรัตค่ะ เมื่อเราชัดเจนว่านิวรในการธรรมสมาธิของเราเป็นความพยาบาทเรื่องเก่าๆวนกลับมาในห้วงคิดจะทำอย่างไรกับการลดอุปสรรคนี้คะให้อภัยให้อภัยยกโทษกับบุคคลที่ทำให้เราเกิดความโกรธอาฆาตพยาบาทขึ้นมาเรียกว่าการเป็นการแผ่เมตตาให้ความเมตตากับเขาอย่าไปทำร้ายเขาอย่าไปจองเวรจองกรรมกัน แล้วใจเราก็จะสงบลงแล้วเราก็สามารถมาภาวนาได้คำถามจากคุณเบญจวรรณค่ะถ้าปฏิบัติอยู่กับบ้านคนเดียวโดยไม่ไปอยู่วัดมีผลต่างกันไหมคะก็ดูเสร็จแเ้าต้องดทดลองดูแต่ละคนแต่ละสถานที่มันไม่เหมือนกันบางคนปฏิบัติที่บ้านได้ผลดีกว่าปฏิบัติที่วัดก็มีบางคนปฏิบัติที่วัดได้ผลดีกว่าปฏิบัติที่บ้าน เพราะเราก็ต้องทดสอบหนึ่งว่าที่ไหนมันดีกว่าที่ไหนสัายะกว่าสัายะก็คือให้ผลดีกว่ากันแล้วเราก็ไปที่นั่นคำถามจากทางยูทู e พระอาจารย์สุชาติค่ะผู้ที่อยากก้าวหน้าทางธรรมต้องปรีกวิเวกไม่เข้าสังคมไม่สนใจโลกใช่ไหมครับก็ต้องลดความเกี่ยวข้องกับทางโลกให้น้อยลงไปเพราะที่เราจะได้มีเวลามาพัฒนาทางธรรมให้มากขึ้น คำถามจากทางยู u b e พระอาจารย์สุชาติค่ะถ้าเกิดเป็นสุนัขต้องมาเป็นสุนัขห้าร้อยชาติแล้วถึงเกิดมาเป็นคนจริงหรือเปล่าคะก็อยู่ที่กรรมที่เราทาไว้มันมากน้อยเท่าไหรถ้าหมดกรรมหมดบางเราก็ไปเกิดเป็นมนุษย์ต่อได้อยู่ที่ว่าเราฆ่ามมากี่ครั้งแล้วกันฆ่าหมาสิบครั้งก็กลับมาเกิดเป็นหมาสิบครั้ง ฆ่าหมาร้อยครั้งก็ต้องกลับมาเกิดเป็นหมาร้อยครั้งไปอยู่ที่จำนวนที่เราไปฆ่าเขาแล้วกันฆ่าเขาเท่าไหร่เราก็ต้องกลับมาเป็นให้มาเกิดมาเป็นสุนัขให้เขาฆ่าเราต่อจนกว่ากรรมมันจะหมดหมดแล้วเราก็จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ไปคำถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะ ยุคนี้ถือว่าเป็นยุคที่ง่ายต่อการปฏิบัติธรรมใช้หรือไม่เพราะสามารถหาฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ได้ง่ายไม่ต้องเดินทางเป็นวันๆเพื่อหาฟังธรรมเหมือนในสมัยอดีตก็ถูกต้องถูกต้องการเข้าถึงธรรมะตอนนี้เราเข้าได้ง่ายขึ้นแต่อุปสรรคของการเข้าหาธรรมะมันก็มีมากขึ้นคือความเจริญทางด้านวัตถุมันก็มีมากขึ้นมันก็จะเป็นเครื่องที่จะมาคอยขัดขวางการเข้าถึงธรรมของเราได้ ให้เราก็ต้องระมัดระวังอย่าให้ความเจริญทางวัตถุดูดเราไปให้ความเจริญทางธรรมดูดเราไปคำถามจากคุณวริศราค่ะเมื่อเห็นความคิดผุดขึ้นดีบ้างชั่วบ้างดับความคิดอย่างไรเจ้าค่ะเมื่อเห็นความชั่วผุดขึ้นความคิดค่ะความคิดผุดขึ้น<ด>พยายามควบคุมอย่าให้มันคิดใช้คําบริกรรมพุโทโธพุโทโธ เวลาล้วกําลังคิดไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องคิดก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอยู่กับคําบริกรรมพุโทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวความคิดต่างๆมันก็จะลดน้อยลงไปไมันหยุดไปคําถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะทุกวันนี้ตระหนักถึงการตายรู้ว่าเราต้องตายคนในครอบครัวต้องตายแต่เราจมอยู่กับความคิดมีอาการเสียใจทําอย่างไรดีคะถ้ายังเสียใจอยู่ก็ต้อง ไปฝึกทำสมาธิทำใจให้สงบเพราะความเสียใจเกดจากกิเลสตัณหาความอยากอยู่อยากไม่ตายแต่ถ้าเราไปทำสมาธิเราจะทำให้กิเลสตัณหามันมันหดตัวลงล ด, ลดน้อยลงได้แล้วมันจะทำให้เราไม่เกิดความรู้สึกเสียใจทำให้รู้สึกว่าเฉยๆเป็นเรื่องธรรมดาเราไม่ได้ตายไปกับมันเราไปเสียใจทำไม สิ่งที่ตายไม่ใช่เราร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเราเป็นผู้มาใช้ร่างกายชั่วคราวว่าวันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งร่างกายนี้ไปคำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะการสวดมนต์ต้องออกเสียงดังๆหรือว่าสวดในใจแบบไหนดีกว่ากันคะถ้าถ้าสวดกนเดียวก็ก็สวดในใจดีที่สุด แต่ถ้าเราไปสวดร่วมกับคนอื่นที่เขาต้องการให้เราร่วมร่วมร่วมส่งเสียงเราก็ต้องออกเสียงไปแต่ประโยชน์จริงๆอยู่ที่การสวดภายในใจมากกว่าสวดออกเสียงสวดออกเสียงก็จะทำให้น่างกายเหนื่อยด้วยคำถามจากทางเฟ e book ค่ะการทานเจได้บุญมากจริงหรือไม่เจ้าคะการทานนี้ไม่ได้มีไม่ได้เป็นบุญไม่เป็นบาปแต่อย่างใด แต่ทานเนื้อสัตว์เนื้อทานเจนี้ไม่ได้เป็นบุญเป็นบาปเพราะไม่ได้เป็นการฆ่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาปอยู่ที่การฆ่าถ้าฆ่าสัตว์ก็บาปถ้าไม่ฆ่าสัตว์ก็ไม่บาปมันไม่เกี่ยวกับการเล่นกินถ้าเราไปซื้อเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วในตลาดมาทำอาหารกินอาหารนี้ไม่บาปเพราะเราไม่ได้ฆ่านคนหรือก็ฆ่าคนที่ฆ่านั้น่ะบาปแต่คนที่ไม่ได้ฆ่าไม่ไม่บาป คำถามจากทางยูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะความสุขทางโลกคือเสียงหัวเราะแต่ความสุขทางธรรมคือความนิ่งสงบไม่มีเสียงหัวเราะเพราะถือเป็นกิเลสเขาใจเช่นนี้ถูกไหมคะ ก, ก็หัวเราะทางธรรมก็หัวเราะได้คนมีความสุขทางธรรมก็หัวเราะได้ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นกิเลสเสมอไปบางทีเมื่อคนมีความสุขมีความสงบมันก็อยากจะหัวเราะขึ้นมาก็หัวเราะได้ไม่ได้เป็น ข้อห้ามว่าถ้าเป็นความสุขทางธรรมแล้วหัวเราะไม่ได้ไม่ใช่ <oun. S 1> เห็นพระอาจารย์บางลูกท่านก็นพูดหัวเราะกึกกไป <social media. S 1> <oun. S 1> ถ้ามีความสุขทางใจท่านพูดเรื่องอาวที่มันทําให้เกิดความรู้สึกที่อยากจะหัวเราะท่าน so ก็หัวเราะไปใช่ไหแต่มัไม่ได้เป็นกิเลสแต่อย่างใด <Sw. S 1> อย่าไปดูที่กิริยาสือหัวเราะแล้วไม่หัวเราะถ้าคนนี้หัวเราะแสดงว่าเป็นกิเลสถ้าคนไม่หัวเราะนี่เป็น เป็นผ้ า, าหานมันไม่ใช่หรอกผ้ า, า, ห, าหลานก็หัวเราะได้แม้แต่ผ้าอาหลานบางทีก็ร้องไห้ได้เหมือนกันแต่นั้นเป็นกิริยาถ้าไม่ได้เศร้าโศกรับการร้องไห้เองได้ท่านหัวเราะแต่ก็ไม่ได้ดีอกดีใ จ, จากับการหัวเราะเองไดคําถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะ ทำยังไงใจจะสะงบได้และไม่มีทุกข์คะก็าหมั่นเจริญสติเจริญพุโทโธพุทโธอย่าปล่อยให้ใจคิดถ้าทาได้แล้วต่อไปใจก็จะว่างจากความคิดแล้วใจก็จะสงบจะเย็นจะสบายขอให้ขยันเจริญสติบ่อยๆพุโทโธ บ, บ่อยๆอยาอย่าปล่อยให้ใจคิดหมดแล้วอลโอเคหมดแล้วก็หมดเวลาพอดี